แล้เวลาเร า, า, รารอ่านหนังสือเราท่านสอนให้หอ่านหนังสือท่านไม่ได้สอนให้แต่หนังสือแนะไม่ได้สอนให้เราเป็นนักประพันธ์เพราะฉะนั้นจิตใจเราเป็นยังไงรู้ว่าเป็นอย่างไรอ่านไปได้แม่ดูเลยบทที่เป็นบทรักนะมีบทนะรักเกิดขึ้นบทนี้ไม่บทโกรธนะต้องรู้ต้องดูเป็นตามลำดับจิตใจกี่ินา้าหมายถึงว่าอะไรผ่านมาที่เป็นปัจจุบันเรู้ว่าจิตใจเรื่อ ย, ยไม่ใช่เป็นนักประพันธ์นะ นักประพานธ์หรือบางคนเป็นนักวิจาร์ัสือ้าไม่ได้สอนให้วิจาร์นังสือไ่บทนี้มีบทโตรขึ้นมาก็ไม่ต้องวิจาร์โกรธไม่ดีหรอกอย่าไปโตรธเมี่เริ่มเป็นข้าก็คือขาววิจัรเราทำตัวเป็นนักหานที่ดีอะไรขัดค่วนขึ้นตรงหน้าเรียกจิตใจเราไปรู้สึกปมันสุขก็รู้มันุก็รู้มันดีรู้มันชั่ว่ารู้ไปเรื่อยๆนี่ัตมาทัศน์มาอย่างนี้ ทำนี้เราอ่านหนังสือเล่มนี้น่าสนใจมันเป็นหนังสือเรื่องใจของเราเองเราไม่เคยอานเราเคยเดิอ่านเรื่องอื่นไม่เค ย, เยเนนอ่านแต่เพงเป็นหนังสือเรื่องแต่งก็เลยไปหยากดูเ้าดูอยู่ทั้งวันตั้งกต่ตื่นนอนอย่างเมื่อกี้ก็เล่าตื่นนอนช้าวันจันทร์หนังสือเรื่องนี้ช้าวันศุกร์หนังสกอเร่องนี้จะทานข้าวอาหารที่ปูุกใจแต่วันนี้สลุกใจเยอะปลุกใจฟุ้งพอง วันนี้เห็นท่านฟังไม่ตูกใจเหนื่อยเมื่อต้งไปลงตรงข้ารู้ไปเรื่อยถึงมันลื่นก็จะเห็นว่าเฮ้ยจิตใจเราเปนของบังคับไม่ได้หรอกจะบังคับให้มันมีความสุกตลอดตรงนี้ได้แต่บังคับไม่ให้กิเลสเกิดตไองยึด้ารู้ข้าวดูที่สุดก็รู้ความจริงอยากให้ความจริงก็ต้องดูเอาว่าของจริงเป็นยังไงอยากได้ความจริงอย่าไปนั่งคิดเอาว่าขางจริงเป็นอย่างไง ฝังยากัป็น้ใหญ่แล้วเป็นเก่งไม่ตองอ่านแจ้งเราสิตอนนัตมาชวนเวยออกนอกเรื่องนี้ต้เรารู้สึกใจสบายที่รู้สึกหมเมื่อกี้เหมือนรลื่อนสูงสูงตอนนี้ไม่ก่อยสูงอมันเปลี่ยนสภาพนะลอนรู้สึกจิตใจของเราตนนัทีนะครับจิตใจตอนทีก่อนจะมาถึงมเหมือนกันไม หรือใจเราตอนนี me, like like ้กับตาที่ตื่นนอนใหม่ๆเหมือนกันไหมทภาพขิดใจนอนรู้สึกใจเราวันนี้เป็นแตกเมื่อวานเป็ี่ยนไปเลยเราจะพูดว่าแต่รัษนาแต่ลัศนาะนี่จิตใจเราเปลียนไปเรื่อยๆเห็นไหมที่เราถามเลยว่าดูยังไงดูเป็นไหมล่ะรู้สึกไหมว่าแจ่ราดับนี้กับตาที่นั่งปาเป็นชักชวน่นั้นนี่ไม่เหมือนกัน ใจตอนนี้ผ่ลายกว่าหรือใจตอนนี้กำลังคนกว่าเมื่อกี้ใจนั่งฟังเฉยตอนนี้ใจเริ่มคิดคนใจเรคนกว่าเป็นการที่เราปฏิบัติธรรมนี่ก็คือการที่เราไปรู้บางเตลี่ยนแปลงจิตใจขอเราไปเรื่อยๆแค่นี้ก็พอเราจะเห็นเลยว่าโอ้เดี๋ยวมันก็ดีเดี๋ยวมันก็รายเดี๋ยวมันก็รู้เดี๋ยวมันก็เสื่อเดี๋ยวก็สูลี่ยนเดี๋ยวมันก็ตกมันทำให้ได้สัญญา ไปรู้สึกแบบรู้สึกเป็นกีรตนาคกีรตนาไม่ต้องไปสนใจหรอว่าเราจะปฏิบัติทำอะไรแบบนั้นปฏิบัติจะต้องทําอย่างนั้นอยงนี้เป็นเก่งไหมันงคนใจก็ซึมซึนมลงไปนะบางคนก็มีอิทธิชิ้นะเราห้ามไม่ได้เราไม่รู้สึกเพื่อจะห้ามเลย แต่เราฝึกเป็นท่านรู้วางจริงเลยนะท่านคุูสอนะม่ครูสอนเราบังคับไม่ได้นะจิตจะรู้หรือจิตจะเจอให้เลื่อนไม่ได้หรือสร้างแบบหรือนี้กำหนดว่านักพนะจจิตได้ไหมต่อไปนี้ชาวนะต่อไปนี้ตรงไปครูสอนอย่างสัมพยุทด้วยไม่มีแมงเนื่งนะไม่มีแมงเรื่อได้ เป็นหน้าที่ของการเดือเป็นจิบเลยคุณตัดงานในสตูการที่จะรู้สึกตัวมีตูตัวร้ายอยู่สองตัวตัวที่หึงใจ่รอยเลอเเนคิดแตกแทนที่จะรู้สึกว่าคิดเราสตูใหม่เลขหนึ่งสตูอีกตัวหนึ่งเร็นองว่าใหม่เลขสอก็ไม่เชแลวแตกคนลัคนเดียตัวที่สอที่เป็นตัวที่หนึ่งก็มี คือการนั่งเช่งนั่งเช่งเห่ง่งใจนิ่งน <m akes> ิ่งใจจะได้ไม่เปลี่ยนแปลงเราต้องการเรียนให้เห็นว่าจิตใจเป็นของนี่งติ่งตลอดเวลาแทนที่เราจะดูว่ามันเป็ี่นตลอดเวลาเราก็เป็นเช่มันนิ่งนิ่งมันเปลี่ยนเวลาชอบทำกับข้าวเรื่องเราชอบเป็นทำสมถะนั่ละทำสมถะจิตใจไม่ดีทำที่มีจิตอุ้งต้านทให้สงบจิตมีราชาที่เจรนาสุภาพไปแก้ มีโมหะแทนไม่ไตามเรแก้แก้ไปเรื่อยๆจิตสงบเราจะรู้สึกว่าเราเก่งแล้วดูเลยอะไรเกิดขึ้นเราแก้ได้หมดยิแก้เก่งหน้าสงสารคือจะยิ่งครอบกุมวางรู้ผิดข้องใจผิดแต่ถ้ามิปัสนานะจิตเก่งจิตทิ่งสร้างเกิดแล้วก็ดับไปจิตที่สงบเกิดแล้วก็ดับไปจิตที่เป็นกุศลยิ่งน่ากุศลเกิดแล้วก็ดับไปให้จิตทุกดวาดับไปหมดเลยเกิดแล้วดับหมดเลย จะเรื rồi, ống, illa, nent, oh ter, oh ่ง oh ท yeah. oh ี่กุศลเกอย่างเดียวไม่ได้แต่ถ้ามันิดเขาไมได้ก็เอะไรไม่ได้ยไม่ใช่ของเราไม่ใช่วเราจะเรียนอให้ตรงนี้ั้นอย่าปสวอ็นกลางทางนะนเร้สามวันสคืน่อยู่ในมือกันมันจะเห็นว่าจิตเทียบเมื่อเห็นั ถ้าตอบเปันสองซะเลยเดี๋ยวจะต้องมีคนถามนะถ้าอย่างนี้นเราไม่ต้องเรื่องสมาธีไม่เดินจงกลมเลยได้ยังไงไม่ใช่นะไม่ใช่หมายถึงจะนั่งสมาธิจะเดินจงกลมจะทำในรูปแบบทำไแปบบทำไปตามปกติก็ไม่ทาเลยเดี๋ยวว่างหิวถูกความก ด, ดีที่ทำดีในถูกเวลาสังพานกัแบเราสังพาน เพจะข้ามสะพานแต่ถ้าจับราวสะพานไม่ปล่อยจะข้ามสะพานได้ไหมก็คืออยู่กัที่ไม่ไปไหนจิตจับอารมณ์ยอะนินึ่ข้ามสะพานไม่ได้หรอแต่ว่าถ้าจะข้ามสะพานต้องแข็งเร่งลงเร่งจับไว้ก่อนหมายถึงว่าขณะใดที่เราไม่สามารถจะรู้สึกตัวได้ต้องทำสมถะไว้ก่อนขณะใดตั้งหลักได้แล้วจิตใจมั่นคงนมานะคะคืนตอบ ปล่อยตาสะทานปล่อยอารมณ์สะมาทานทาี่อยากไม่ไ้เดียวนะวเราต้อคอยรู้ความเปลี่ยนแปลงจิตใจเพราฉะนั้นเราต้องททั้งอย่างการทเนือปัญญาอันยิ่งไม่ใช่ไม่ทำนะบางคนตังหลพงพ่อบอกหลงพ่อบอกว่าไม่ต้องเดินจงกรมหลวงพอัพออนไหนจะสอนอย่านหลุงพ่อสอนตลาดแบบนั้นหน่นอย กาวที่เดินจะทารู้สึกตัวถ้าเดินจงกรมถ้าเดินกลับไปกลับมาแล้วไม่ได้รู้สึกตัวไม่ได้เดินจงกลมก็ว่าเดินเรื่อยเกยอะไรประเด็นหนึ่งเพราะว่าเราพยายามจะทําลยอาชีพหนึ่งค่ะเข้ารูปแบบเดิเดินจงกรมมันแข็งไปเลยทังตัวมันแข็งไปหมดทื่อไอหมดทั้งใจทั้งตัว อย่าที่ถามบอกว่าอันนี้ไม่ใช่แอ่กินนะแต่เป็นโซ่ <c oughs> เ, เรื่องอะไรเป็นนมาที่จะล่อให้กินสนุกสบายข้าวอันนั้นอไหนทาไปแล้วจิตใจแข็งชื่อร่างกายแข็งชื่อ อ, <c oughs> อย่าไปเอาไม่ไปูไมันธล า, ามไม่กอใไ้หาดู้าวกินน ฉะเราต้พยายามระพักประกอบจิตเอาว้พยายามใช้สมัมถะประคองจิตเวลารกระทบอารมณ์ไมได้เปกระเทือนส่วนใหญ่เราจะมีทฤษฎีสร้างเรือ่องมึนเบื้องหลังคือเมีความเชื่อแต่ว่าถ้าเราสามารถรักษาจิตของเราให้คงที่ไม่ได้ไม่หวั่นไหวกับโลกธรรมเลยจิตเราจะเกิดปัญญาพัฒนานได้นี่จะมุ่งม่น บองคนจะเชื่ออีกอย่างหนึ่งว่าถ้าไม่ทําสมาธิสุกอรจะไม่มีกำลังจะเริ่มีิทักษนาไม่ได้นี่ประเด็นหนึ่งตรงที่ว่าแล้วเราจะทําไปถึงแค่ไหนถึงจะเรียกว่าพอสมาธิเนี่ยคล้ๆเหมือนอย่าเราจะทําน้นแข็งพอาน้ำไ ใ, ใส่ช่องฟรีซน้ำต้องแข็งเราจะให้แข็งในขนาดไหนอย่างน้นำแข็งไว้ใช้ส่วนมากพวกเราชาวเมืองเย เรเวลาอาจจะแตแล้วก็ทําำสมาธิกับก่อนนอนนะั้สนสมาธิสงบพอรุ่งช้าเราเป็นตัวกระดงน้นําแข็งละลายหมดละลายหมดเรายังไม่ได้ทันจะเลื่อนปัญญาตกเย็นเราก็มาทําน้ําแข็งฟังใหม่ช้าละลายหมเพราะฉะนั้นเราต้องรีบฉุกเฉินกับขนาดใดที่สามารถรู้ผังได้ก็รีบรู้ไว้ก่อนขนาดใดที่สามารถจะรู้ รู้จิตรู้ใจอะไรไม่ออกก็หาความสงบไปแต่ว่ายังไปคิดว่าเราจะต้องทําสมาธิมั่นคงถาวรก่อนถึงจะไปทําวิปัสสนาได้ทําไมที่จะเดิน ไ, ไม่ได้เพราะสมาธิเป็นของสูงเมื่อเกิดขึ้นมาตั้งอยู่ช่วงหนาหนึ่งช่วงราวแล้วก็เสื่อมเราจะรอให้วาสมาธิของเราไม่เสื่อมถึงจะมาเจริญปัญญาจชไหมได้ หลวงู่มัมู่้เอ่สมาธิมีขงเสื่อมคนที่สมาธิไม่เสื่อมคือต้านอากามีขึ้นไปนี่ต้า น, นาการมีทำไมสมาธิไม่เสือ่อมไม่ใช่ชาไม่เสื่อมนะชากับสมาธิก็ไม่เหมือนกันคุณเทศทั้งสองแยกสมาธินี่คือความตั้งมั่นของจิตใจหมายถึงคิตยไม่หงเป็นตามลงที่มายุ่ง ตาเห็นรูปปกติเวลาเราอมองเห็นก็เหนนื่อจิตเรวิ่งหนีที่คะอื่อย่างนี้เรียกว่าจิตไม่มีสมาธิจิตไม่ตั้งมัน่นแต่ถ้าตาเห็นรูปจิตสักว่ารูปรูปจิตไม่หลงไปหา ร, ร, ร, รูปจิตสับว่ารูปอย่างนี้เรียกว่ามีสมาธิส่วนนการไปนั่งเลีเ้ไดมม้ความสงบความสงบกับความตั้งมั่นนีากั นี่เป็หนหลักานอีี่ยทว่าสมาี่ไม่เสือ่อมยถึงว่าจิตของ ท, ท่านไม่หลไปทางตาหลงไาลงไปใจจิตั้งมั่นสิ่งตัวอยู่ได้ตลอดถามว่าสมาถธิตัวชาตห อ, อะไรเสื่อมได้ไม่ได้เพาไม่เป็นของเสื่อสูบัอาจารยเล่าสมาธิไม่ได้อ ว, ว่าเป็นไก็ไปถามหลู ม, มั่นบอกแม่ครูอาจารย์ แี่จะบถึงขนาดนี้ทำไมยังเดินจงๆท่านบอกสมาธิเป็นของเสือ่อทุกซ้อมอเาไปใช้สมาธิที่มันมเปสติปัฏฐานนคือการทำจิตนิ่งท่า น, นซ้อมอเอาไปใช้แต่การที่จิตจะหลงตาหลงมันไม่หลกนะสีนสมาธิปัญญาบอจะมุ่งไปไล้แต่สติปัานเสื่อม ไ, ได้ ฉะนั้นถ้าเราอยากให้สมาธิของเราตั้งมั่นมันอเจริญปัญญาปัญญาเราพอเรารู้ทันจิตและมีสติมีปัญญารู้ทันจิตหลเข้าไปจิตหลไปวงจใจรู้ทันจิตจะตั้งมั่นขึ้นมาแต่ถ้าเราทำใบสมาติฐาระว่างวันวันหนจิตจะพิ้ไปเป็นอิทธิศนาหรืสมาธิมีย่างรือว่าไม่ิีไม่ใช่สมาพผู้เอง ท่านอาจารย์หาบัวคุณเาก่อนจะมาัวได้ไปดูถ่ายในโชว์คุณไปพบใช่ไหมไปพบขารท่านอจารย์หาบัวบอกว่าหลวงตาถ้าผมทำสมาธิมากมากจิงผมมีสมาธิตลออเลยผมจะเกิดสัญญาท่านบอกไม่เกิดแบบประเดิมเดิมการที่เราทำใจให้นิ่งนุ่งคล้ายๆแต่เราั เรานอนอยู่ในบ้านแท้ลแล้วเหวังว่าืนขึ้นมาจะไอยาไเราจะรวยเราจะมั่งมีนี่เป็นความฝันนะหังลงแรงถ้าทำสมมานเหวังว่าจะเกิดัญญาขึ้นเกิดเป็นครทเรานอนอยู่ในบ้านเาหวังว่าจะได้เกิดไม่ได้เราต้องทางานถึงจะได้อยากได้ปัญญาต้องจะเกิดปัญญาิจะเกิดปัญญาเรายสติในการเคลื่อนยื่ ตาจะพบรูปเดินเดินไปเนี่ยตาเห็นลูกครับสมมติเราเห็นสาวสวยเราเห็นหลงลงอย่างนี้เห็นสาวสวยแต่เราชอบเรารู้ว่าใจชอบแต่ถ้าเราทําสมาธิเยอะทำสมาธิมากเยอะสมาธิอยากเรียกไม่ทำสมาธินะเพราะจิงๆมันไม่ใช่ตัวสมาธิมากแต่ใจมันใจให้นิ่งถ้าเราฝึกจนกระทั่งใจเรารู้ตาเราเห็นสาวสวยใจเราเฉย คนตาเราใช้เยให้เราต้รู้สึกว่าเราจริงนะจิตใจเราไม่ยินดีตธรรมซึ่งไม่ใช่ไม่ใช่ของจริงมันิงอยู่ต้อการปวดต้อการกรธเพราะฉะนั้นตาเห็นผู้หญิงสวยแต่เราชอบขึ้นมาเรารู้ทาชอบเรืมีปัญญาเราเห็นเอความชอบเกิดขึ้นมาห้ามไม่ได้ความชอบเกิดัน็ไปเป็นอย่าง ถกเขาด่าใจเกิดตวามโกรธอความโกรธเกิดขึ้นก็จิตไม่ห้าม่ห้โกรธก็ไม่ได้ความตรวจเกิดขึ้นแล้วมันก็ดับไปอีในที่สุดก็จะเข้าใจมาทำเรื่องปวดสิ่งใดสิ่งหนึ่งเกิดขึ้นสิ่งนั้นดับไปเป็นธรรมดาถ้าโสดา บ, บารเห็นสิ่งนี้แต่ถ้าเราต้องการพักผ่อนก็ทำนะเราทำด้วยปัญญาอา ง, อ ย, างอยิ่งกานที่จะพักผ่อน ถ้าจัดความรู้สึกไว้ที่ลมหายใจที่ไหก็แล้วแต่สโดวกจิตใจทัก่อนมีจิตใจที่ชื่นชื่อออกมาู้อยลมหนึ่งปากนึ่งีแตกใจอยากเพ่งจิตหน่อยอย่าททำจิตให้นิ่งๆิื่อๆไวเราอย่าไปคิดนะว่าราารทหารคือคนที่ทำจิตให้มีเรื่องที่หลั่งหลอดได้่าอาจารย์ เวลาตื่นตาก็มีจอยทําจดีท่านบอกว่าท่านอยู่กับจิตผู้รู้ท่านนิ่เยแอยู่กับจิตผู้รู้ตวอดิ์อยู่ตั้งเจ็ดเดือนเลยคิดว่าจะเป็นลูพระทหาสักทีถ้าวกเรไม่มรดูวันนึงเจ็ดเดือนผ่านไปเน้่ค่อยมาสังเกตว่้จิตเนี่ยผู้รู้เนี่ยบันทิก็ผ่องใสบนงทีก็เศร้าหมองได้เห็นไหมนใส่ที่จะรักษาจิตดีตลอดได้ จิตมีมัตถชาตเจริญรุ่งเรือเหมือนกันสังาขารที่อยลู่ในเด็กพอท่านเห็นว่าจิตมันมีวัตถชาติเจริญรุ่งเรืองป้องใส่แล้วก็เศร้าบอกได้บังคับไม่ได้ห้ามไม่ได้รักษาไม่ได้ป้องกันไม่ได้เพราะจิตไม่ใช่ตัวเราจิตเป็นนะบังคับไม่ได้เอาเข้าใจควาจิงว่าจิตเป็นของบังคับไม่ได้บอกว่าทำแท้ ก, ก็บินถ า, างไปที่กกระทาสเสืกตท่านไว้ ไม่ว่าท่านคนเดินทางมาก่อนเราท่านคนพบ ว, ว่าการที่ไปฝึกติดให้ดีคงที่ม han, ไม่ได้ทําให้เกิดกัญญาแต่การที่ฝึกไปเรื่อยๆพยายามฝึกพยายามดูแลว่าเก็ดเมื่อไหร่เจริญแล้วสื่อมเจริญแล้วเสื่อมบังคับมันไม่ได้นั้นแ่ละจะทให้เกิดปัญญาเกิดดีท่านมาถามามัณฑนาว่าควรจะทาําัมานาอหไรควรทําแต่ต้องทํำด้วยปัญญาที่รู้ว่ า, า, าครวรจะทำํำตอนไหน ถ้าชั Lastly, ่วโมงนี้เป็นเวลาทำมาหากินอย่าไปนอนชั่วโมงนี้ควรจะนอนเพ่อจะประหยัดทำงานเอาเงินประหยัดตาต้องการตาเท่าไรเป็นปีนี้ไหมโอ้ยรู้สกกังวมกรต้สึกังวลกับเรื่องตน้ะครับโตัวดีนะดูโฆษณาถ้าใคร รู้ตัวตลอดเลยครับเพราะเราเคยกยากินแล้วรู้ตัวตลอดมันไม่ใช่ภูมิของเรานี่พวกเราเป็นคนปฏิบัติแจร้อ น, นใจร้อนมีเรื่องเรือยๆช่าง า, านผมจะลากกามได้อยู่างไผมจะลากโภสัตรได้เงี้ยห น, นมมูจะลากโกสัตรได้เงี้ยหนูอย่าเพิ่งลากเเก็บไว้ก่อนอย่าเพิ่งลากกามล้วยปฏิภาเลยนะ มาสู้กับสัตว์ใหญ่ยิ้งทิ้งก่อนเราต้องรู้จากนว่าัตรูเรานี้คือใครสมมติว่าศัตรูของเราตอนนี้ที่เราจะรบด้วยนัมาายังต้่งไปท้าอรการุที่จะเอาชนะการนะปฏิท้งชวยจะมริการเราด้วยนะแต่ลงพ่อจะความความรู้สึกเก่เนี่ยมันเป็นแรงน้อยลงใช่ไหมใช่พวเราไม่งคิดต่อ ก็เห็นไหมความโรธเกิดขึ้นพ้เรารู้สึกตัวว่าโกรให้เราไม่มีคิดถึงเรื่องที่ทำให้เราโกรธความโกรไม่มีเองความโกก็มาจากมาโนแต่ถ้าเราคิดเรื่อยๆมันก็โรเลยคยมีคนึ่งไปถามพระพุทธเจ้าว่าถ้าองค์มีกาเนี่ยก็องค์มีกาบาราคาไหยพระพุทธเจ้าบอกเราไม่มีกาบาราคาเพราะเราไม่มีกาบนิสตกเพราเราไม่คิดเรื่องกา ทำทั้งหลายเป็นตามเห็นตามปัดใจมันไม่มีต้องเห็นก็ไม่มีตัวเหมันอย่างเราจะละตัวแรกเลยเนี่ยท่าหมายแรกของชาวพุทธที่หวังมั่งเป็นนิพพานเนี่ยจะต้องละสัตยานิสิติคือความเห็นว่ากายนี้จิตนี้เป็นตัวเราเป็นเรื่องความเห็นผิดว่าขันธ์ห้าเป็นตัวเราหรือกายหรือใจหรอเป็นตัวเราวิธีละความเห็นผิดทําอย่างไร ดูลงไปไว่าที่จริงเขาเป็นย่างไงละความเห็นผิดได้ด้วยการเห็นภูกเห็นผูกต้อคือดูลงไปไว่าของจริงเป็นยังไงการนี้มันทำได้ไหมจิตนี้มันทํำได้ไหมเราไม่ได้ลาะความเห็นผิดด้วยการคิดนะแต่ต้อง ด, ด, ด้วยการเห็นเพราะฉะนั้นโสดาบดีมรรคก่านบอกว่าเกิดนี้ทัศนะด้วยการเห็นแล้ไม่เหมือนมากเท่าสูงเท่าใเกิดได้ภาวนา วนาที่จะเริ่สื่อมสภาพชัญญาไปเลยอนุใสออกาหนังดงไปดูประหารไปแต่ว่าจะราษฎรยังคิดผิคือความเห็นผิดว่าร่างกายจิตนี้เป็นตัวเราร่างกายนี้จิตนี้เป็นตัวเราก็ดูลงไปเป็ตัวเราจริงไหมเราตอนนี้กับเราเมื่อวานมีคนเดียวกันไหมอย่างยังเป็นการคิดอยู่นะยังไม่ใช่ศาสนาแช่ยังคิด แต่ว่าอาศัยมันคือฐานเราเปลี่ยนใจเราตอนนี้ตจเราไม่ยิ้หรือยิ้มไห้ให้ฝหัดเี่ยนใจกก่อนถ้าสังเกตได้ว่าใจเราตอนนี้กับตะกี้น่ะคือพลังการไม่เหมือนกเดียวหรอกนี่เรียกว่าตั้งมัธยางยังไม่เป็นอิสรน่ะแต่เป็นต้นต้นหัารู้ถึงเปี่ยนใจเราเอนเลยว่าจิตแตกมาทางแบนี้จิตแตก ตมืออังไม่เหมือนกันแสดงว่าจิตแต่ก่อยังเกิดระดับไอ้จิตดวงนี้ก็ง่ายจะดับไปหมือกันเก่เี่ยวเรื่องควาคิด้าพเราัเงเกียเป็นสภาวะเดียวใจกนหนักเดีก็เบาตาดูตาูดเที่ยเ่ยๆจรงจึิงนึงมันจะเห็นพันธปนปฏิบัติขึ้มันจะเห็นในความโกรธขึ้นมขึ้นมาปวดๆขึ้นมาแล้วตไป ที่มีช và ่องว่างที t t, ่เล็กๆขนเป็นขั้นหนึ่งแล็จะเห็นความรู้สึกตัวปวดขึ้นตรงที่เห็นความปวดและตรงที่เห็นช่องว่างเราต้เห็นยอดว่าเ็นจปฏิบัติไม่ได้เพราะว่าขณะที่โทรศัพทเดินขียนขึ้นอีกคนกตีไม่มีหรอกแต่ว่าพอโรัพทขึ้นมาแล้วดบว่ามมีช่องว่างขั้นความรู้สึกตัวเกิดขึ้นความรู้สึกตัวเกิดขึ้นนี้มันจะยอดวินิจฉัยอารมณ์ที่ต้อั แล้ก็โตกาดเกลือแล้ว่าแบงไป็ช่วงเห็นใช่ไหมตรงตรอยที่แดงตรงรอยทิ้นแบงม่จะเห็นว่าโเกิอนอรุนดังนะแล้วมีอันเกิดขึ้นมาสองอันนั้นไมไ่ต่อกันเรียกว่าสันติปีขาดตรงนั้นเรียกว่านามา ร, นนรุ่าากรงการเฉลยระยะน่นเป็นพิธันาหนูถึงแกลกใจว่าทำไมหนูตามไม่ห่าง่านจังมันจะต้องขาดช่วแต่ไม่ใช่ขาดก็รเบลอไปนะ ไม่ใชลเพรา่าอหลงไปชั่วโมงไม่ใช่แต่ว่าพืนา้นฐานตอนที่ตายถึงมือถเปลีป่ยนไปที่ใจก็ขาดรัดอยู่แล้วให้บรรลุตั้งใจหนพายว่าทาไมเมื่อก่อนเนี่ยูเห็นมันดับปุ๊บโ <ừ, S 2> ดยที่แบบดับตึ๊กเลย <ừ. S 2> แต่ตอนนี้มันห่างมันเหมือนมันมีระยะ ห, ห่างออกไป ừ, มันขิดหรือเปล่าไม่ขีดรู้ไป<อ>่ อ, ของขีดคิอเรียนเข้าไปกลุิพนธศาสนาจริงน แล้วนิสิตน่าไม่ได้นะรู้จักคำว่าสันสติไหมความต่อนี่ด้น้องกูเอาไปใชไหว่ามันไม่ได้ต่อแล้วค่ะมันขานเป็นชิ้นๆนี่ชิ้นหนึ่งนี่ชิ้นอนึ่ี่ชิ้นค่ะเรียกว่าสันสติมันขาดถ้าเราก็คือเรารู้ตรงช่วงต่อตรงนั้นเองไม่ใช่รู้หลังจากที่มันขึ้นมาแล้วนะ ตรงในช่วงนั้นไม่มีการรู้อะไรหรอกก็คือเราเรียนรู้ไม่ทันต้องรู้ทันรู้ทันไม่ได้รู้ทันต้องลงไปในช่องนั้นเมื่อก่อนคือเราเราเราขอคอนเฟิร์มมันเหมือนเมื่อก่อนเนี่มันเห็นดับปุ๊บแต่ตอนนี้มันเหมือนไม่เห็นดับมันมีช่องอยู่ช่องมีแก้อยู่อันหนึ่งแต่รู้ว่าไม่เป็นไรรู้ไปเฉอย่าี้ใช่แล้รู้ไปเฉยคือ อะไรนั่จะมีแต่ว่าขอบความรุนแ่งไม่เกิดขึ้นตัวนี้นนก็เหมือนหนาไปหลวงพอเจ้าการจารอที่ว่าเป็นจิตที่ตั้งมั่นนี่จะ เ, เกิดแล้วก็ถายไปเกิดแล้วก็หาบไปไม่มีว่า มีคุณภาพเพื่มเสื่อมลงจากเดิมไม่มีมาวาดเยอะใช่แล้วมาก็มีคุณภาพเึ้ม่มก็แสดงว่าตัวตาเราดีขึ้นแต่นี้มันไม่ใช่ตัวเก่ามันก็จะเกิดแล้วก็ดับฉะนั้นไม่ต้องรักษาเพรารักษาไม่ได้เป็นกรรักษาไม่ได้จเนซึ่งจับตาจสมาธิเนชานั่ก็คือสมาธิจะรักษาได้เพันส้งเป็เป็นสร้างยาไม่มีที่สุดยาเท่าไหร่อไอันี่ม พาที the brain, ่ว่าจิตตั er. ้งมันก็คือเป็นคณิจาสมาธิเป็นคณิจารสมาธตั้งขณะขณะขึ้นมาแล้วเราจะเห็นคนไกลของเขาเลยเขาขึ้นสู่ดินขึ้นมาทำงานทุกส่วนทุกส่วนมันขาดตกลงว่าช่วงมันก่อนที่มันจะตกลงวามันเริ่มเดินนิดมันหน่วงอารมณ์ตั้งตั้งขึ้นทีแรกมั้าแล้วก็เดินนิดหนึ่งขาดเข็ดขาดแล้วจา่วี้ขึ้นมาใหม่เป็นอันใหม่ ตรงที่มันเป็นเงินออยเงยเรียกเรียกว่าตาามนั่นอเองค่ะกจากว่ า, ท, า, าทำไมพระโสดาบันไม่มีฌานและก็ได้ไม่มีสมาธิไม่ใช่ต้องมีเป็นพระโสดาบันต้อ ง, ต อ, งตอนที่เกิดมาต้องมีฌานต้องมีฌานแต่มันมีคนเองมาเองด้วยกำลังด้วยกำลังของสัมมาสมาธิก็มมหมายคําว่า จิตตั้งมากนเนี่ยจากเดิมเกิดแล้วก็ดับแต่แล้วก็ับแต่กำลังจะมากขึ้นถี่ขึ้นถู่ขึ้นคือเถยจะสร้างหรือเป่าเป็นเถิยาวที่นี้ก็เถิดสั้นแคนี้ก็กลเป็นเถิดบ่อยขึ้นเาิลก็เถล้วกี่หนึ่งนี่มู้ฏิบัติก็ยายมจะเอารู <un paid cocaine> ้แมวอเถิเมื่อวก็มีคนเราสุตตานุสไปเข้าคอร์สอจิมีโมนาเกิดขึ้นมากแต่อาจารย์เี่ดาอะไร จะ้ไม่เกิดทำยังไงก็เกิดปกปูแล้วที่เกิดส้าอะไรเลยจิตจะเป็นโมหะอมันมก็ถูกกำหนดเมืม่มาโนสวาราวาชัชรนาจิตเราบังคับไม่ได้สิไปเกิดปัญญาจะเกิดโมหะก็บังคับมันไม่ได้แต่ว่ามันเกิดอะไรแล้วเราก็รู้ว่าอันนั้นเกิดระดับเราไม่ได้ฝวกเพื่อจะเอาด้านดีด้านเดียวไม่เราด้านริ้วแต่ฝึกจึงไม่เราสองด้านนะ หันจารู้แล้วเราก็ยังต้องระมัดระวังตรงที่ว่ามีดีมีร้าเออเป็นสงคราไม่ระวังคี่ให้เป็นดีดีร้ายไปแล้วรู้ทันถ้าเราระวังไม่ให้มีดีร้ายเราตะนั่งเก่งเลยถ้าเขาเกิดรู้แล้วก็รู้สึกเฉยเฉยแบบเฉยเฉยระวังนิดนึงเฉยเฉยแค่เกิดจากการที่เราดูความรู้สึกของเองไม่เป็นเกรงจิงังหน้าเ้องระวันะ เรามาะทับใจของเราไว้จนช้ำนานจนมันชื้นๆแบบคิดตาเราก็ต้องมาดูน้ำหนักจิกๆใช่ไหมมันก็เหมือนเราใ ส, ส่สอดแง่เนี่ยแง่กแล้วก็วไป<ด>ะเป็นแง่ตรงนี้เด็กเปรียยัไม่เห็นกันหรอกไหมิเ น, ะ เ, น, มมนเปี่ยยมีหมูันจะเจ็แม็กลไปนะเป็นน้องก็เรา ต้องเก็บความดันเนี่ยอย่าลงไปนอนอีกแล้วเอะหนัวันแปลกๆอยู่อะค่ะเอออย่าลงไปนอนแค่ในเต้านั่นนะี่เปิดความรู้สึกหน่อคือเมื่อก่อนเนี่ยค่ะหลวงพ่อที่หนูบอกหว่อนเห็นผวาอตอนที่หนูไม่มีความสามารถในการเห็นตรงนั้นแล้ไวไม่เป็นไรก็า่แต่เราไม่มีไรแต่เรามันจะไปเรื่อยๆะคะ้ค่ะออหลวงพ่อถึงบอว่าถ้าคุณจะหิบแว แล้วมันเป็นรวอางนั้นก็รอเรียบรยตัวอีกทเดี๋ยวมไปเลยนะดิ่่าแต่ไอ้ไอ้ไอ้ไอหนูงสงสัยอยู่ไอ้ตรที่อย่างเวลาถนูกดนะคะมันจะมีเดี๋ยวนี้พอพอรู้สึกว่าตระจสตามันจะมีตัวสตาร์ทวนแล้วมันจะมีช่องตรงนั้นนะตัวสตารตรงนั้นแล้วเดี๋ยวก็ขึ้นแล้วก็มีตัวสตารนคืพเราดูมนจะขึ้นรูป พอสติเก right. ิดกับกุศลป็นมไม่ได้แต่ว่าตัวกุศลและจิตของเราที่เกิดก็ไม่เที่ยงก็ดับแ้กุศลก็ทางานกที่ใหม่เพราะฉะนั้นเราฝึกเไม่ได้ฝึกเพื่อเอากุศลเลี่ยนเป็นกุศลนะแต่เราจะฝึกจนกระทั่งเห็นว่าจิโกกัจิที่รู้เนี่ยมันแลดับเหมือนกันแล้วะจิตุุ้้ดวเอาไปที่พ่มไได้ บาัก็เห็นก็่ดชื่อีมาอย่างงี้นะยัลงไปนอนสืนะอนสืใช้ไม่ได้เพราะว่า่วงน้นบางครั้งเราก็เห็นกภาวะแบบมืนก๊อี่มาเหมือนจะลงก๊อบี่มาเพื่อใหม่ไม่ินะเพื่อนใหม่ทีาใช่่สังเกตทานนั่งเฉยเมื่อไหน่แย่เลยจะลงไปนอนแช่ไม่เคยชินอันนี้ก็ไม่หล่อคนที่เล่นสมถานมากมากเนี้ยเล่นเป็นใจกชินกับการที่จะทำอะไรที่พื้น เป็นแล้วมันตื่นทั้งวันแ้วเราบาดนก็คือหลบไปว่าทำถูกมั น, นะ <c oughs> จะเป็นแช่ตื้นๆสิงที่รู้ันตื่นจะเมตตาจะปราดเว่าไมมีเนื่อยเลอยเยไม่มีนมออสนไม่มีสุ น, นะสนเป็นี่เลส น, นาเชื่ ส, สมาธิคืออะไรทำนน้นสักสมาธิคือคาตั้งมั่นของจิตนะ วีที่ง okay. so ่ายๆเลยเรามีสติรู้ทัิตที่ไม่ตั้งมั่นเรู้ทันตรงเท่ไหนจะตั้งมั่นก้นอย่างเห็นอย่างนี้ไหมเห็นคนเดินมาแล้วเราดูเขาใจเราไม่หมิ่นไมเทาไปเห็นไหมอย่างนั้นกิไม่ตั้งม่นจิตหลงไปเราคุณควส่ิออกนอกจิที่ตั้ั้นก็คือจิตว่าร่มรักษาลงไม่หลบไปอย่างนี้ยลงไปแล้วนะรไห ผมไปในโลกขอกคงไไความคิดเมื่อกี้เนี้ลงไปคิดรู้ขนาดอะไรู้ยูเห็นไม่ค่อยานผมไปอยู่ในความคิดเรลืมตัวเองหรอเปล่หย่าขนาดนี้ยลืยมตัวเองนะมือกายลืมใจลืมรู้กายลืมรู้ใจเพราะว่าเป็นลมไปในโลกของความคิดลงบัญญาเป็นลมไปในโลกของความคิัญญาลืมวาเป็นทีมของรูปธรรมอามธรรมแั่นไปไนะหรือเปล่าไหมห้ามได้ไหม ห้ามไม่ได้ต้องรู้ตรงนี้นะามไม่ได้นะไม่ห้นะพยายามห้ามูเพียบเลยไม่งห้าอนะถ้าเกิดขนเมื่อไก็มืไม่มือม่ดไปเรู้ทางาน้ดางเยไม่มีกำบมาดึงนะอย่างยาตาเห็นเป็นรูปเป็นคนเดินมาใจเราวิ่งตามไปพอเรารู้ทางแล้มันวิอยู่น่นนะ เราไึงนมาเนี่ยเราจะแน่นเป็นนะอกความรุเกิดเกิดขึ้นทาไมความรูเกิดไเพราะว่าเราเกิดตัาหาขึ้นนะเราอยากดึงคินแม้เราอยากดึงืนความอยากทีมีเกิดขึ้นมาเมื่อไหร่ความรูกตราบันทีเรามาสร้างภพขึ้นมาอย่างนี้แน่นปืขึ้นม่ไงใครใอยบ้างดีนะฉลนตื่เต้น ก็ยคิดไม่เลิกนะตื่นอย่างนั้นเลยได้เ่ราะกิดยนามคดนี้เหเราพนามารู้อย่างียให้เรารู้สึกไดาเลยว่าตอนนี้หลงคิดหนะกยืนใจดูแข่งแรงนะเราดิสโทมา a ด้เพราะเรา c a ดแค่ไหนนะมันเ็เรื่อง นี่เป็นคำหนาที่มีปัญหาตั้งวันเลข้อหนึ่งข้อหนึ่งที่ประ จ, จับก็คือต้องทําตามรูปแบบต้องไหมต้องเป็นตรงกลมหน้าสมาธิบ้างไหมทํำอะไรท ำ, ำด้ยวยปัญญาข้อหนึ่งก็คือเวลาทํางานหรือเวลาเรียนสนังนะนสืรจะมีสติยูงไง่ไนไม่ต้องเจริญอันนั้นมีสมาธิในการทํางานไม่ต้องทำจะมีสติหรอก สั่ชอบทงนัดใจที่จัดจ่ออยู่การทางานตอนี้หนือมีสมาธิอรันี่พอเราทางานเป็นนานชักเหนื่อยชักเบื่อชักที้เกียอยากให้งานเสร็เร็วนี่เบือที้เกียนี่ไม่ใช่งานกิเลสพอใจเบือคุณดูฐานก็เบือ เพราะฉะนั้นเวลาทำงานที่ต้องใช้ความคิดก็มีสมาธิในการทำงานทาไปทีเนี่ยจนเจออายุ24ล้าน ถ้ารู้ความเปลี่ยแปลงจิตใจเห็นไหมมันไม่ตื่นเต้ น, นสักทีนะมันนิ่งๆเลยเแบบนี่ยรู้สึกถึงความเปลี่ยนแปลงของเขามีปัชนาะใช้รู้สึกเอาที่ปรัชนาไม่เพ่งหาไม่คิดเอาแต่รู้สึกเอาหนาีมไม่คิดทราบไห ม, ไมคิดทราบแต่ไม่ ไม่าไปห้ามนะแต่รีบทราบ่อยๆง่ายๆเลยไืแล้วที่จะไป <c oughs> ที่ือหุ้นซื้อเงินซื้งินซ้อเงินเรืไปด้วยเพราะว่าบางทีพอเราเริ่มซึมงลงไปแล้วเนี่ยก็จะค่อหลแบบเรากว่าวสายตาอะไรอย่างเงี้ยเริมหาหาดูหาิตมันเริ่มต้นหา เราไม่เราไม่สามารถที่จะเห็นอะไรโดยสัตว์แต่ว่าเห็นใช่ไหมคะเราไม่สามารถทําอะไรได้เลยก็คือตอนเราหาจริงๆจิตมันไม่ว่างย่างที่เราคิดจิตไม่เคยว่างเลยแต่ว่าเรากำลังหาเจอจิตกำลังหาิตกำลังทำงานมีพฤติกรรมพฤติกรรมคือเที่ยวหาว่าจะดูอะไรนีพอหาไปเจออะไนี้ก็นั่งเพ่งก่อนทําในนั่งเพ่านั่งมีภาพคิดจาร์ ภาพไอยูข้างในนั่นองเหมือนกัมันปเป็นความเคยชินนเป็นความเคยชินคืจิตเานี้แหละมั <c oughs> มนจะไหลไปตามความเคยชินไหมแต่ตาของมันใสนั่นเองห็นไหมไหลไปตามความเคยชินนะซึ่ง คนที่ฝึกสมาจะต้องการฝึกตรงนี้จช่ไหพต้องการลดคามแช่ให้ไหลก็ได้ต้องสบายใจไม่เคยฝึกทำไมมันเป็นเออไอ้ที่ฝึกอย่างนี้นั่นแหละสมาธิฝึกไม่ได้นะฝึกไม่ได้ฝึกไน่นะคุณือนั่งสบายนะไม่คิดมากรู้มั่งเสริมมั่งตามนึกอย่างนี้ดี มันก็ไม่ไปไหนเด้ไม่ไปไหนปฏิบัติธรรมไม่ได้ไไหนเลยเราธรรมะไม่ได้อยู่ที่ไกลๆรต้องรีบเดไปนอนธรรมะอยู่ตรงนี้อยู่ปฏิบัติแล้เราเห็นเลยนจิดแล้วรู้ตัวหนงจตแล้วสบถเยอะค้สอนเี่ะค้สอน่รู้เพ่ม่กระดับนี่เห็นหนึ่งทนี้เลยถึงมันเป็นจิตมันสุบมันรู้ความจริงเห็นซ้ำซทุกวัน กินก็สนุกได้ว่าวก็สิ่งใดสินึงเกิด เ, เพื่อสิ่งนั้นจับไปเป็นธรรมดาไม่มีตัวตวนอะไรที่แท้จริงในการกินใดกันี้เคยมีอยู่ที่รู้สึกเกิดความรู้สึกว่าขอขึ้นมามแล้วก็เหมือนกับมีความคิดก็เลยสงสัยว่าอันนั้นคือเราอยู่คิดพอดินถามคุณเฉลิมพงศ์เขาบอกว่านั่นคือการปรุงแต่งเยอะไป น, นะรูกก็มีเพียงแค่กินป็นรูปปัญญาขึ้นม เกิดสัญญาขึ้นมใจโล่งบานช่วงค่อนข้างเหมือนกันแต่ว่าขึ้นมาว่าเรารู้อะไรนี้เป็นเกณไม่เห็นะว่าขึ้นมาเรารู้ว่ามีมันมีเราอเรามันก็ยังไม่ใช่ความรู้ที่กา้จริงก็เป็นความรู้แตเป็นสัญญาแต่เป็นสัญญาที่สะสมเก็บสะสมแท้ไป คื่าเราจะเดิสปีเรารู้ทันสภาวธรรมทุกอยางทีแล้วเด็กทีละน้อยนะคล้ายๆเราสะสมคะแนนถึงจุดหน้่นี้จะเกิดการเปลี่ยนแปลงแบบก้าวกระโดดขึ้นมาอย่างนี้ทานนึ่งเาลาเป็นเหมือนตานะเราเิมตามปเรื่อยๆอยนี้มันพูดในเชิงลบเชิงบวกก็คือเราสะสมปัญญาไปเรื่อยงดหนึ่งเวลานี้หลางงู้หลังกันกครเป็นลาสบั เก้าเก้ประโยคสำัี่ทีเดวของผู้ที่ติดเพ่งชินเ่งอต้องรู้ตวเเอาว่าคืว่าเพ่แล้วรู้บ่อยๆก็จะละความใส่ชินอยาไปช่วยเหมือละเาะอยากละผีทําอะไรยูแล้วงปตัวนี้เป็นสอนหมันเองสหมันเลยหนหยุว่าตัวแต่ สองอยู่ก า, แากรแสวงหาสามอยู่กีัาจิตเมื่อกี้ไม่รู้ว่ามันคืออะไระมันมันเรียกหลงแต <c oughs> คืออย่งจิตขอเรามีความโกรธกุ้งกุ้งนี่จิมันหูกแตกหยุดความหลงแตกน่คือรู้ทันนะอย่าไปช่วยมันอย่เข้าไปแทรกแซงอะไรต่อความโกรดเป็นเพื่อนกษัตริ์แต่ว่ั้งใจอ่ า, จามีาโกรดแบบพิน หยุดความรงแต่ก็คือรู้สึเลยไม่ต้องไปยุ่งกับมันไม่ใช่หาทางละมันนะี่นะหยุดความปรุงแต่ออตพอหความปงแต่นะงได้ก็ไม่เดโทสะรือว่าเป็นโทสะมันก็สลายตัวไปเพราะมันหมดเหตุมันดับไปไม่ใช่เพราะเราไปดับข้ามแต่เพราะเหตุมันไม่มีมันก็ดับควดับตั้งใจเริ่มงว่างว่างไม่มีโทสะโผล่ใจว่างว่าเราก็เริ่มงหาอยู่มันจะดูอะไรดี แม้สายาย่งไเงี uh, ้ยดูไดดีนะเราคนดูนั้นได้ชกหมันที่สองยังการแสวงหาพลังหาอยู่ว่าจะดูอะไรดีพายุหาจะเห็นจะรู้สึกตัวอยก่ว้งว่ารู้สึกจะเห็นได้เห็นใจไหวตัวไปเิต้นอยากจะไปดูว่าอยากจะไปฟังอยากจะไปคิดบ้างอยากไปเข่งบ้างอยากไปพิจารณาธรรมะมันไหวหรืนะครับ เป็น <coinc> the ่าษาอสากฤษสามยุกปิยาุจิตคือคือรู้ทากปิยนี่รู้ทางจอตงแต่ในขั้นไหนการที่มันไหวรับแทบแทบไหนด้วยอานาจวิชาที่มันหนูก็รู้เรียกชื่อมันไม่มีช่ังไม่อาจมีตัวอักษรแค่ว่าสิ่งใดสิ่งหนึ่งเป็นไม่ใช่คำว่ายังเปนสิ่งสมุทริยาธรรมะ สิ่งไดสิ่งหนึ่งแบบซึงเป็นธราสิ่งน exactly. ั้นดับไปเป็นธรรมดายังไม่ทันหึ่งชื่อหรอกว่ามันจะทำอะไเป็นแค่อากาศเป็นกิริยาการยิซึ่งเกิดจากอภิชาแต่ว่าเราเป็นยุ่งกับอิชาไม่ได้นะตอนนี้ให้รู้ทันหรือยิ่งกว่าฉะนั้นถ้าจิตกิดเพื่อมเราก็รู้ว่ามันเกิดเพื่อมิ่งกัแต่ว่าอย่าเป็นเจ้าคนนะอย่าลงไปนอนแค่นะ เราตรงๆใช่ไมคะชั no? hmm. colors, ้นเรียนตรวอย่าไปจ้องเพราะว่าเราจะเผอไปตรงต่อแล้วพอเห็นอาการจิตอย่างนกร้องให้เราก็จะเราก็จะรู้ใจมันไหวแล้วเราก็จะไปจ้องเสียงแบบอะไรอย่างนี้ปรงแล้วใช่ไยี่มดนนะเขาคุณมีอะไรไมโย่คุามนั่ง ไม่ถูกไม่ถูกอาจารย์ทศเจชาไม่ได้สอนให้เอาไปรอยูบอ่บบานะท่านบอกว่าทามันในปรากฏวานั้นคําว่าว่ า, ว า, วางกับจริงแก่ก็คือความูแต่ชนิดหนองที่มันไม่ยาบคมามรูากยากขึ้นมาก็เป็นกุศลรู้ยากกว่านั้นก็เป็นอกุศล แนความเป็นจริงแนละ้วจิตไม่เคยว่างเลยจิตทำหน้าที่รู้อารมณ์ตลอดเวลาแต่อารมณ์ที่จิตไปรู้นั้นบางอางรมณ์เป็นว่าว่าไม่ใช่จิตหรืว่างเวลานั้นคือจิตมันจะรลาแล้วจะไม่ทําสอนดีนะบอกมีจิตอยู่สองดวงที่ไปรู้เข้าแล้วเนี่ยง่ายที่จะกลายเป็นสมถะคือนาะาราส า, นะารุญชัยยตนะจิต ศาสนาใจยนะแล้งกันนกบอากินจันญายั น, น, ะา น, นะสองดวงนี้ไปลงดูช่องว่างนึงไปลงตูวความว่างหนึ่กลายเป็นการทิ้งช่องว่างกว่าง่ายที่จะทิ่งไปเป็นการทำสมถะเมื่อพวกที่นั่งดูจิต น, นั่งดูจิตดูไปแล้วว่างๆนะนัเจ้า น, น, นะหลงไปทสมถะไม่พอ ya แต่ถ้าโรภียังกินเงื่อยู่นานได้ติเพ่งใส่ไมได้ถ้าเกิดว่าความไม่อยากอ่านหนังสือดูลใช่หมคเราถ้าเกิดอยากอ่านหนังสือดูดลก็คือเหมือนกัน่วาเป็นไรนะมีนัาที่อ่านหนะังสือ ก, ก็อ่านไก่อนอย่าต้องเร่งรัดกันนะตอนนี้มีน้าที่นักที่ที่ทำอยู่อ็คือเรา บอกว่ า, วา ย, ไยไัไม่ได้มนะีกิเลสเลยเะไม่ได้เดไม่ใช่ขั้นขอแล้วบอกแล้วขั้นนี้ทำแท่ว่ า, า, าเขารู้กายรู้ใจไป็นไม่ใช่หราั น, นี้